บางบามถูกต้องเลยทางจะเรียกธรรมขอนายกรัฐนตีหรืเปล่านี้ดูทําไมไม่สนใจเรื่อจะรู้ได้ซ้ําว่าเออคนหอัมนตรีก็ก็คงต้องโ ก, กบงบ้างคอรัปชัน้าแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขจะสนใจมากเพราะว่า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 กำลังที่คนรู้ว่านารวันตีคนนี้เขามีการกศึกษักมีการไม่ชอบ ม, มาพักคนยังไงบ้างเขาลือกันให้ใส่คนในวงธุรกิจพอไปคุยกับคนในเ่วงธุรกิจอย่างเมื่อที่ที่แล้วก็ไปไดไปพบคุณอยู่จำนวสี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 ความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมหรือว่าทำไมไก็เดยจางกันไปเยอะมากเลยจะว่าไปผู้ที่คัดค้านทำสินก็ก็ จ, จะคัดค้านเพราะเหตุ น, นี้เดินกันแม้ว่าจะอ้างเรื่องความถูกต้องจรียธรรม ก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาคัดค้านทักสินตอนที่มีเรื่องคอร์รัปชันมันมีเรื่องไม่จ่ายภาษีทำไมถึงหาว่าเขาไม่มีความชอบทรรมในจริยธรรมตั้งเพราะเพการจ่ายภาษีท้า น, นที่ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องมีราวกันมาแล้วทำไมถึงเึงเมินเฉยเมื่อเกิดการ ถ้าตัดต่อยเงินถัดประกาศสงครามกับยาเสพติีคนตายเพราะกระบวนการที่นอกกฎหมายมี2่0 0องพันสองพันหายคนได้มภายในเวลา แ, แค่2เดือนจะมันนี่มากไหเพราะว่าท่าตายเนี่ยสารต่อใช้ท่าตายมีค่ากันมา2ปีแล้วคนตายแค่ 1,200 ซึ่งเดียวของคนที่ตายในสงคารามยาเศพติดซึ่งมีซึ่งเป็นข่าวเป็นชู้ลวะวลา2เดือนล้วนี่ขณะพักตานี้เราได้ได้ฟังข่าวโหดร้ายโหดเยี่ยงได้ยินการฆ่ากันไม่เล่นแต่ละวันแต่รวมแล้วยังแคบตายอันพั 2, น, น, นสอง่องยาเสพติดค่าเลยสอ0่าในเวลาแเดือนคนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนสรรเสริญหรือเวลามีการใช้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 อาจจะมองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้ที่ผ่านเราก็พอทนแต่พอถึงเส้นนี้ทนไม่ไหวเนื่อจะมอยงนี้คือว่าเรื่องหรือไม่ว่าแตน อ, อย่าให้มาแตะเรื่องคอล์รัปชันเดลยวที่เป็นเรื่องเป็นอย่างเป็นฟองจนนักกากสนใจเรื่องนั้นเรื่องทอนเป็นพิเศษเรื่อจะเพอยิ่งกว่านั้นคือว่าการคอล์รัปชันนี่มันหมายถึงการ ทำใหฉันได้ประโยชน์น้อยลงงบประมาณของประเทศชาติที่จะมาถึงฉันมันก็เลยล ด, ดน้อยลงไปด้วยส่วนตที่ฉันจะได้รับมันก็น้อยลงเพราะว่าการคอร์รัปชันของพวกแกอันนี้ก็ทำหมอให้ดีนอกจาก เ, เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวอัตราจุปไต่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 าการเขียนบทความไม่ใช่เหมาเฉยขึ่งคืนออกแสดงการพัดค้านนายกราฐธารตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเะก็ลงเว็บไซต์ก็ปรากฏว่าถูกด่าซะไม่มีดีจากพวกที่พัดค้านทักษิณเหมือ น, นกันแต่ว่าอยากจะให้มีมายกราชธาน ดากันยงมันก็เป็นสตรอว์อะไรทนั้นที่น่าจะเป็นแนวร่วงกันมา ก, กว่ามาฟังอาจจะทเขาวิจารณ์นี่มันก็ว่าเกียรติวกวิชาการเหล่านี้มากว่าเกียรติทักษด น, นีมันก็เป็นเรื่องของอัตาเต็มที่เลยเพราะว่า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 เอาเนื้อพระเจ้าทานเไม่เอาเนื้อพระาชาานปที่ไม่เอาก็บอกว่าต้องการรักษากฎเกณฑ์ประชาธิปไตยเอาไว้เพราะกว่าจะได้มามันก็เสียเลือดเสียเนื้อมาเยอะแนะล้วเลยเพระล่าสูดก็พิษสภาทำนินก็ก็ต่อสู้กันเพื่อให้ได้จากคนเกิดที่มาจากการเลือกตัง้งจนกระทั่งได้ก็จะทํามันนิน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 เปนไปนอมหลักการเพื่อเพื่อตัวบุคคลก็เราเคยทำภาคกันมาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นการปน็นประนอมหลักการเพื่อรักษาหรือเพื่อให้ได้ทั้งสิทเมื่อหกห้าปีที่แล้วก็ก็ทำกันใหม่นีิธีแล้วคือว่าเออสู้คุณก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ขอให้สารรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้เขาพ้นผิดกันแล้วกันคนจำนวนมากก็รู้ว่าต้องซื้อสรัพุ์นในชื่อคนใช้ในชื่อคนขับรถแต่ก็สนับคนทักสินก็ก็ยอมยอมยอมไก่เกลียก่ยหลักการหรือว่ายอมทำไม่รู้ไม่เห็นเพื่อที่จะให้เขาได้รอดจากพันธกภาคสา ร, สา ร, สารธรรมนู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 ส่วนหนึ่งก็คงแต่ทได้ชายชนะคือตอนนี้คนไหนได้ชายชนะมาก ไ, ได้ชายชนะไปไวให้ชายชนะนี่ก็อย่างที่วุ้นไปเมื่อวานก็สาวให้รึมมันก็เป็นเรื่องของอัตตาชายไหญ่ไปพูดชนะเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่สนใจหลักการละให้หลักการนี่ก็คือทำไ ม, ม่เนมื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 ถ้า่วยพระราทานก็ได้ก็ดีซึ่งที่จริงก็คือมันก็คือรับประหารเยรับประหารเรงียบก็คือว่างดใช้รัฐมนุนควบคุมพราะารัฐมนุนนี่มันไม่มีมาตราไหนที่ที่รองรับการมีห น, น่ยระราทานมามาตราเจ็ดันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะนันยก็ต้องมาจากการเลกตังต้องเป็นสอ ส, อสมัน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 ววิชาการคนนี้แหละคือคนใจที่ทำได้ทังสินทํางานได้แต่ก็อย่างที่รู้กันเวลานี้คนเหล่านี้ต้องเดเือดรากสิแล้วไม่เอาทักสินแล้วจะอยู่ได้อย่างไรในนโยบายที่เกือบสร้างมาก็กําลังถูกดึงถูกถอนมาทีละชิ้นสองชิ้นนโยบา ย, ายาาการดูแลประชาชนยังเต็มไปเะ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 อัตตาเราก็จะโผล่มาโผล่มาเรื่อยๆให้มันให้เราได้เห็นตัวเองว่ามันมีสิ่งเล่าที่รุนแรงก็อัตตาก็จะจัดส้องตอบชัดเจนก็ได้เรียนรู้เตด้วยแล้วก็รู้วยเราต้องฝึกเพือกันดิกเยอะต้องมีสติและมีปัญญาระดับมากเอาล่ะก็ผู้บรรทงนี้